กลุ่มที่เขาคอสยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยใช่ได้นะเรียนหลักแล้วก็ไปทำเอานะรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติรู้เฉยๆจำาไว้เอาไปนั่งเถียงกันารสาระคุณเรียนธรรมะบางทีชอบเอาไปเถียงกัน อีกบางคนก็นชอบเอาไปสอนใครค อ, อยากสอนธรรมะมัง้งสารภาพมามีไหมเภทขันปากยิบยิบยิบนะเยอะนะใช่ไหมเยอะอยากสอนยอะไม่ใช่เวลาเป็นเวลาที่ต้องเรียนไม่ใช่เวลาที่จะสอน เอาไว้ครูบาอาจารย์รับรองก่อนว่าไม่หลงทางแล้วอยากสอนแล้วไม่ว่าหรอกถ้ามาตรฐานครูบาอาจารย์รุ่นเก่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ธรรมะขั้นที่สามถ้าไม่แยกตัวไปสอนใครแต่ก่อนเข้มงวดมากสมัยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ เดี๋ยวนี้ภาวนานิดนี้หน่อยๆโออยากสอนมืคนไม่มีใครมาเรียนด้วยวก็อุตส่าห์ไปสอนทางเฟซบุ๊กเขียนธรรมะเพ อ, เพอวันนี้เป็นวันออกพรรษาพรรษาแล้วพวกพระรู้สึกได้รับการปลดปล่อย แค่ความรู้สึกเท่านั้นแหละเพราะออกพรรษาหรือในพรรษานะในวัดหลวงพ่อนี้ทุกอย่างเหมือนกันอยู่ในระเบียบวินยัยเข้มงวดเหมือนเหมือนกันไม่มีออกพรรษาแล้วหย่อนลงให้ไม่มีวัาออกพรรษาพระไปทำอะไรกันบ้างพระไปเรียกปวปวารณารู้จักไหมวิปวารณาพวกเรารู้แต่ใบโพ ร, รณา เขียนใบโพรนาถวายพระวันพรนาไม่ใช่วันท no er ี่ให้โยมมาถวายใบพรนานะเมื่อคนถวายใบโพรนาจริงนะไม่ได้ถวายเงินอ่ะถวายแต่ใบหลวงพระเคยเจอลืมวันพรนาของพระเนี่ยคือวันที่เปิดโอกาส ให้พระหูอื่นวิจาร์เป็นระบบวิภาคนะคมนิสเอาไปใช้เรียกระบบวิภาคให้วิจารอย่างคนแรกที่ต้องประกาศตัวให้พระในวัดวิจาร์คือหลวงพ่อบวกค่าแต่สงน้อยๆทั้งหลายอาวุโสนะอาวุโสเพราะว่าอ่อนพรรษานะ ถ้าพันสามารถก็เรียกพันเตเราเรียกกับข้างท่าอาวุโสเนี่แกแต่เราไม่อยากอาวุโสเนาะไม่อยากแยิ่งสาวสาวนี่ไม่อยากอาวุโสเลยพระเขาจะบอกกันบอกว่าถ้ามีความเห็นนะหรือว่าได้ยินมา หรือว่ารู้ด้วยการที่อยู่ใกล้ๆกันใกล้ชิดกันเนี่ยเรารู้รู้ใส่กันนะอะไรที่ผมไม่ดนะีขอให้ช่วยตักเตือนด้วยเนี่ยระบบของพระงามมากนะงดงามมากแต่ในความเป็นจริงอะ่ะไม่กล้าทำหรอกนะคืนมาตักเตือนหลวงพ่อสิ <S <S คนไทยไม่ยอมรับระบบนี้นะทั้งท่ที่ระบบของสงเป็นแบบนั้นแต่ที่วัดนี่เตือนกันจริงๆนะเตือนกันจริงบางองโตโตแล้วทำอะไรไม่ดีไม่งามหลวงพ่อรู้ก็เตือนให้ปรับตัวปรับตัวไม่ได้ก็ไป ปรับตัวได้ก็อยู่กันได้ระบบนี้คนไทยไม่คุ้นอ่ะคนไทยมีนิสัยประจำชาติอยู่เรื่องหนึ่งฝรั่งมันวิจารเลยคนไทยเนี่ยขี้เกรงใจใช่ไหมแต่ไม่จริงใจตรงไปอะไรททำไมเราไม่กล้า ให้คนอื่นวิจารมันกระทบเซลล์กระทบเซลล์เราเพราะนั้นเดี๋ยวแต่และองค์เตรียมใจไว้นะจะต้องถูกวิภาคพระผู้น้อยก็วิจารพระผู้ใหญ่ได้ชีว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเห่นไปรับแขกไม่มีมเวลา พาสีกานะเข้าไปเจมิมบางคนไปเจิมผู้หญิงนะเจมิมเจิมที่นี่ไม่มีนะน่ยกตัวอย่างเนี่ยกุฏิพระไม่ให้ยกเข้าไปนี่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยพระยังไม่ได้เข้าไปเลยมีพระเข้าไปได้องค์เดียวคือพระาจานะเจานะเนี่ยพรรษาก็าสูงแล้วนะได้าทาตัวเหมือนเด็ก หมายถึงเวลาอุปถามหลวงพ่อเนี่นะทำตัวเหมือนพระบวชใหม่เลยพระเด็กๆ เ, เลยตั้งอกตั้งใจทำไม่มีอูงานตั้งใจทำให้ครูบาอาจารย์แล้วมีพระกวาดระเบียงอยู่ในงอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในนอกนั้นไม่มีใครเข้าไปหลวพ่อก็ไม่ให้พร ะ, ะรเข้าไปยุ่ง ไปชวนกันคุยอไเงี้ยไม่ให้ทำคุยมากฟุงซ่านครุกคลนะีครุกคลีมากๆเดี๋ยวก็ตีกันทีก็ถูกใจกันพากันเตลิดเปิดเปิงที่นี่เข้มงวดกลาง้ามกลางคืนภาวนารวมกันนะได้แต่มานั่งรวมคุยกันไม่ได้ ระบบของพระพุทธเจ้าจริงงามมากนะอย่างพระผู้เราเป็นผู้น้อยนะถึงไม่ได้เป็นวันปรนาไม่ไดวนนะ้วันที่เปิดโอกาสให้วิพากษ์กันวันทั่วทั่วไปเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างถ้าพระผู้น้อยพระในวัดเนี่ยสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อทำอย่างนี้นะทำไมหลวงพ่อเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไปเหยียบหอย หอยมันเต็มวัดเลยนะเดินระหว่างนะ้บางทีอายุเยอะแล้วบางทีเซอเซไปเหยียบเข้า้ยพอรู้ว่าเหยียบนะขยับหนีเอาเหยียบอีกสามตัวนาะที <c oughs> ่ลบตัวหนึ่งแนละ้วแล้วที่นี่ตัวแยะก็เยอะนะแยะลูกแยะเล็กๆเยอะแยะเลย ก็แปลกไอ้ตัวเนี้ยชอบวิ่งมาอยู่ใต้รองเท้าเราะเราเดินเดินเห็นมันอยู่โน่นนะพอเราเดินทางนี้มวิ่งพลาร์ดเข้ามาเราแทบจะหกล้มมาหลายรอบแนละ้วไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพระผู้น้อยเกิดสงสัยทาไมหลวงพ่อเดินซุ่มซ่ามเหยียบหอยขาสติหรือยังไงไหนว่าสติดีอัตโนมัติก็มีวิธีการ พระผู้น้อยก็กเข้าไปหาพระผู้ใหญ่ทำความเคารพขอโ อ, อกาสมีคาว่าขอโอกาสนะไม่ใช่อยู่ๆไปชี้หน้าเลยเป็นลูกศิษย์ทั้งชี้แต่จะอย่างโนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของนักปฏิบัติอย่าพระผู้น้อยคนละ้องใจพระผู้ใหญ่นะไปขอโอกาส ถ้าผู้ใหญ่กำลังปวดฟันอยู่บอกยังไม่ให้โอกาสเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหายปวดฟันแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ยังเวลาเราจะทําอะไรกับผู้ใหญ่กว่าเราเลยต้องขอโอกาสอย่างหลวพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไปถามท่านทักทายท่านอะไรเงี้ยวิธีทักทายก็คือพ่อแม่ครูบอาจารย์ช่วงนี้ ธาตุขันยังทุกพอทนได้อยู่หรือเดี๋ยฟังแล้วถ้าเป็นโยมฟังแล้วแสลงหูคล้ายเจ็บไข้ามากไหมไปถามองนี้ถ้าเราเธอเล่เธอร่าไปถามว่าหลวงพ่อสบายดีหรอือหลวงปู่สบายดีเหรือจะถูกด่าว่าไม่มีการศึกษามันจะสบายได้ยังไงธาตุขันนี้มันทุกพูดแบบคนไม่มีความรู้ แล้วเราก็ไปถามพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วงนี้ธาตุขันยังทุกข์พอทนได้หรือท่านบอกยังทนได้อยู่แปลว่ายังไม่ตายยังอยู่ได้อีกเขากาศครับใครก็ถามเออว่ามาอย่างเงี้ยจะถามอะไรก็ถามเขากาดถามนะแต่พวกเราไม่ต้องนะ พวกเราที่ยกมือเนี่ยถือว่าขอโอกาสถามแล้วไม่ต้องมาขอโอกาสแล้วก็กล่าวสุนทรพจนะ์หลวงพอ่อธาตุขันยังพออยู่ได้ไหมไร้สาระเสียเวลาเพรา้ขาไม่เจอกันนานๆเจอทีเกาถามกันนะอย่าเราคล้องใจนะครับขอโอกาสนะถามทําไมหลวงพ่อเดินไปเหยียบหอย ครั้งที่หนึ่งเหยียบหนึ่งตัวครั้งที่สองเหยียบทั้งสามตัวเ อ, อมันขาดสติเลยครับถามได้นะถามได้แต่ขอโอกาสก่อนหลวงพ่อกําลังปวดฟันก็อย่ามาถามนะรู้กาลเทศะแล้วระบบของพระเนี่ยงามมากนะถามวิภาคกันนะผมเห็นว่าอย่างเนี้ยมันไม่เหมาะมันไม่ถูกอย่างเงี้ยบอกกันได้ต้องบอกด้วย เป็นความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันตามพระธรรมวินัยแต่คนไทยจะรับไม่ได้พระที่มาบวชกว่าพระไทยไม่รับหรอกคือเรามีิภาคกันเองรับหลังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตีกันใจไม่ค่อยถึงอยากดีต้องกล้าหนะ่อยไ ม, ไม่ไม่รักษาหน้ารักษาธรรมะไม่ต้องรักษาหน้า หน้าเราอย่างหนาอยู่แล้วล่ะไม่ต้องรักษานะงินวันนี้เดี๋ยวพระจะราวนานะหลวงพ่อเ้องเลิกสี่โมงตรงเป๊ะๆใครจะส่งงานบ้านว่ามานมัสการค่ะหลวงพ่อ ระหว่างที่เราปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ๆจิตเราไหลไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรากําหนดรู้ทันโดยที่แต่แต่ว่านะตอนที่กําหนดรู้ทันนะค่ะเราถูกเพราะเพิ่งชอบคำว่ากําหนดนะเอาคำว่ากําหนดออกไปได้ไหมค่ะแล้วระหว่างนั้นเราก็ลืมรู้ที่ร่างกายอะค่ะคําถามคืออยากจะทราบว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือผิดถูกธรรมชาตของจิตนะจิตอารมณ์เป็นของคู่กัน จิตแปลว่าผู้รู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้คลั้งเละอย่างเดียวเพรนั้นถ้าจิตไปรู้ว่าจิตไหลไปนะจะมารู้กายไม่ได้ถ้ารู้กายด้วยเห็นจิตไหลไปด้วยทําผิดแน่นอนเพี้ยนอย่างนั้นถูกละวขณะ น, นี้จิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อให้ชื่นใจซิ ส่งไมคคืนไปก่อนขณะนี้ก็รู้ร่างกายอยู่กับตัวเองอะค่ะจิตตั้งมั่นดีไหมดีค่ะตั้งด้วยการบังคับอยู่มันจะแน่นๆน่นรู้สึกไหมไมัอึดอัดค่ะถ้าอดอัดจะผิดแน่นอนนะอะหพ่อใจดีเห็นไหมไม่ถามก็บอกให้ กับสมัชชการหลวงพ่อครับวันที่สองสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นครับแล้วก็เบิกบานบ้างนิ่งๆบ้างเออต้องเห็นนั้นแล้วก็อาจจะมีเหมือนจะฮึ่มเฮอมั่งหลังจากได้อ่านหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ครับขอขอถวายการปฏิบัติสองวันนี้ให้กับบุธรจ้า <c oughs> หลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อครับอือนุโมทนานะ ครับธรรมตการครับเมื่อวานก็จิตมันฟุ้งแล่ไหลออกนอกอยู่บ่อยๆครับไม่เฉพาะเมื่อวานวันนี้ก็เป็นเป็นทุกวันเลยธรรมชาติของจิตนะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งฟากเดี๋ยวก็หดหู่เหราะนนเวลาฟุ้งกับหดหู่นั้งจับเข้าคู่กัน ดูพระภิกษุทั้งหลายจิตมี ha, ราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มี ha, ราคารู้ว่าไม่มีราคาคู่หนึ่งจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะคู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตโถทูอีกคู่หนึ่งนพวกฟุ้งมากกว่าหถหูมากพวกราค า, า, าแรงนะพอราค า, า, าหายไปสภาพัเดือนโทสะจแรงจิตมันจะสวิงไปสวิงมา มันไม่คงทีง่เราไม่ได้ฝึกให้จิตคงที่แต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตไม่คงที่ฝึกให้จิตคงที่ยากนะต้องเข้าฌานฝึกให้เห็นว่าจิตไม่คงที่มันไม่คงที่อยู่แล้วแค่ยอมรับสภาพแล้วตามรู้มันไปไม่ต้องไปฝืนทำให้ดีขณะนี้ฝืนทํานะรู้สึกไหมไหมมันยังแน่นอยู่ ออกเปล่าส่วนลายนั้นนะ่ะจิตเบิกบานบ้างจิตเป็นอุเบกขาบ้างนั่นปกตินะ่ะจิตพระอรหันต์เป็นแบบนั้นแหละมีแต่โสมนัสเบิกบานทับอุเบกขามีเวทนาสองอย่างไม่มีความทุกข์ทางใจจิตที่เป็นกุศลนนะ่นะก็มีเวทนาได้สองอย่างมีความสุขก็เป็นอุเบกขา แต่จิตที่มีความสุขเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรือเป็นจิตที่มีราคาก็ได้จิตที่ไปูอุเบกขาจะเป็นโมหะก็ได้มาส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็ขณะ น, นี้ตัวปลอมดูออกเปล่าเพิ่งดูออกตอนหลวงพ่อบอกค่ะทำเป็นเรียบร้อย <laughs> ตัวจริงนะเหมือนลิงหลอกเจ้า <laughs> ทำไ ม, ไมต้องหลอกเจ้าก็ไม่รู้นะ เอาตัวจริงขึ้นมาแล้วว่าไปเอตัวปลอมมาอวดเราเชื่อหรอกก็เออสมาธิก็เพิ่มขึ้นจริงๆิสติเพิ่งเข้าใจค่ะว่าตัวเองขาดสติมาตลอดอะไเงี้ยค่ะเออถูกแล้วค่ะแล้วก็สมาธิเมื่อมีสติเลยมีสมาธิค่ะก็เลยสบายขึ้นค่ะขณะ น, นี้มีสติไหม เมือแก้เผือค่ะแต่เพิ่งมีสติหลวงพ่อพูดแล้วขณะนี้มีสติใช่ไหมมีสติแต่ไม่ได้มีสัมมาสมาธิจริงๆนะสังเกตไหมใจซื่อบืออยู่อ๋อใช่มันทื่อๆหน่อยค่ะเออนะทื่อๆนเกิดจากโลภะใจมันโลภมันอยากดีมันก็ไปประคองรักษาใจไว้เรารู้ไม่ทันสติของเราไม่คมพอที่จะเห็นโลภะที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทางใจ ดูออกหรยังมันอยากดีดูออกหรือยังมันมันรู้สึกว่าแข็แงแขๆแน่นๆเออได้แหละะแล้วก็มันออกมาทางกายค่ะออทําให้กายรู้สึกได้แหละบางคนภาวนาจนกระทั่งพอเคล็ดหลังเคล็ดนะภาวนาไม่ถูกแล้วไป บ, บังคับมากไปทําทไมไม่เลิกเพ อ, อ, อยากไม่เลิกอะขนาดหัวเราะแล้วมันยังไม่หลุดเลยดูออกเปล่า รู้ทันไปหลวงพ่อคะ่ะขอทันบ้านต่อสอนให้ตั้งหลายวันแล้วออไม่ทำเอาถือสี่ห้าไวนะ้ทุกวันทำในรูปแบบทำได้ชั่วโมงยงเดี๋ยวนี้ก็น่าจะถึงค่ะเออต้องทำน ะ, ะทำในรูปแบบไปจิตถึงจะมีพลังจเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวนานๆไปพลังจิตตกสมาธิไม่พอ เนี่ยทุกวันทำในรูปแบบแชั่วโมงหนึ่งเวลาที่เหลือมีสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เวลาที่เหลือบังคับจิตอยู่ในชีวิตประจำวันคุณค่ะมีสติ ก, ก่าเมื่อวานนะคะหลวงพ่อรู้สึกว่าวันนี้มีสติ ก, กว่าเมื่อวานนะคะถูกเฝ้ารู้ไปนะแต่ละวันจิตเราไม่เคยเหมือนกันวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันเฝ้ารไป พอรู้ได้ละเอียดเนะี่ยแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นจิตก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินจิตก็เปลี่ยนขณะที่คิดจิตก็เปลี่ยนนะี่เฝ้ารู้ไปตอนนี้เห็นเป็นขณะได้ยังได้บ้างไม่ได้บ้างออให้ได้บ่อยๆหน่อยนะบางคนบอกว่างงไปหมดแล้วดูไม่ออกเลยตอนนี้จิตเป็นยังไง พอทถาไมรู้ว่างงงงก็เป็นสภาวะงงนะรู้ว่างงอา้าวต่อไปใครจำเป็นธรร ม, มส ก, การขหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนวะก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะคือปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแ้าช่วงช่วงเดือนหลังๆนี้ก็พยายามมีวินัยในการทำในรูปแบบมากขึ้นนะคะก็ ราบว่าที่คิดว่าตัวเองแบบมีจิตตั้งมั่นในช่วงที่ทําในรูปแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าที่ขึ้นแล้วนะไปทําอีกจิตจะได้มีพลังจิตมีเรื่องมีแรงแล้วก็เดินปัญญาไปเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานไม่มีตัวเราสักที่หนึ่งนะดีไปทําอีกแล้วมีตรงส่วนไหนที่แบบเป็นจุดที่แบบเป็นย่เหมือนกับ เป็นจุดไม่ดีมากๆหรือว่าเป็นจุดที่ควรจะต้องไปดูเป็นพิเศษอย่างนี้ไหมคะยังฟูซ่านเก่งอยู่นะขอบคุณค่ะ ก, การนมัสการหลวงพ่อจ่าเออพูดต่างตางหนหลวงพ่อเป็ดใส่ท่าตักเสบหูกาลังตึงโ <c oughs> ยมปฏิบัติแล้วติดเพลงมานานนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าย <ๆ S 1> อย่างรู้ไหมรู้ไหมว่าติดเพลงทราบค่ะ ดูสิทำไมถึงเพ่งอยากดีค่ะอันนี้ตอบตามตำลาที่หลวงพ่อพูดเห็นไหมใจที่อยากอ่ะไปดู่านใจที่อยากปฏิบัตินั่นแหละเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละเวลาทำลายทำลายที่ต้นต่อการเพ่งเป็นผลพวงของความอยากจะดีอยากจะปฏิบัติก็เลยไปเพ่ง ยิ่ถ้าเรารู้ทันใจไม่มีความอยากมันก็เลิกเพ่งไปเองอมีกิเลสก็คืออยากมีการกระทํากรรมคือการเพ่งมีวิบากก็คือมันแน่นเป็นทุกข์มันก็หมุนอยู่อย่างเนี้ยตัดก็ตัดโตที่กิเลสนะรู้ทันใจที่อยากอยู่ที่ไหนหลวงพอ่อ แนะนำให้ไปดูกายดูใจอะค่ะแล้วก็ให้ระวังเพ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอะค่ะดีก็ให้อยากให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำการเจริญสติในชีวิตประจำวันอะค่ะแล้วก็ให้มีมากับใ ค, คใครล่ะวันเนี้ยวันนี้มาคนเดียวค่ะถ้ามาสองคนจะให้คนที่มาด้วยเขาเคกับบานแรงๆทีหนึ่ง <laughs> พอถูกเคหัวปุ๊บใจมันโมโหเนี่ยร่วโมโห О. อย่างนี้เจริญสติในชีวิตประจำวันนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบกายกระทบสัมผัสเช่นศีรษะกระทบกังเงนะเบงกเนี่ยโทสามขึ้นอย่างเงี้ยเราเห็นนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดา แล้วคอยรู้ความเปลี่ยนปแปลงที่ใจตัวเองนั่นแหละการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะไปฝึกอีกไปนะดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนเป็นนักเพลงอาชีพนะคือฟังซีดีหลวงพ่อมาปีหนึ่งอันนี้ทรงการบ้านครั้งแรกปฏิบัติเองอยู่ที่บ้านนะคะ ก็เห็นความโกรธมากขึ้นแล้วก็เห็นเหมือนพลังมันพุ่งออกมาเออและแหล่คิเลนพุง่งไปแต่ก็ตกใจในส่วนนั้นแล้วก็เห็นคล้ายๆลังๆก็เห็นความอยากบ้าง อ, ะ อ, อ่ะแล้วก็เห็นเหมือนกับนั่งกับเพื่อนสนิทแล้วอยู่ๆก็มันจิตมันไหลย้อยอย่างเงี้ยลงไปเอ อ, อดีพอไปครึ่งหนึ่งก็ตกใจก็เลยดึงมันกลับคิดว่าคงไม่ทําปฏิบัติไม่ถูกถูกแล้ะตกใจก็รู้ว่าตกใจไป รู้จิตนะรู้ทีไรช็อตนะรู้เป็นชอตช็ตชอไปอยากให้หลวงพ่อแนะนำค่ะว่ารู้ถูกแล้วล่ะแล้วต้องปฏิบัติยังไงต่อไปทำให้มากแล้วกันบ้างทำให้มากเมีสติไปเรื่อยนะที่ปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยคือนั่งดูลมหายใจอย่างเงี้ยเออรู้ลมหายใจไปแล้วก็รู้่านจิตหายใจไปแล้วจิตไหลไปก็รู้ จิตไหลไปอยู่ที่ลมเพื่อรู้จิตไหลไปคิดี่รู้เราก็หายใจไปโทษาขึ้นมาก็รู้ราคะขึ้นมาก็รู้ฟุงซานก็รู้นี่แหละใช้ลมเป็นฐานไป<ะ>ดีใช้ได้กรรมนมัสการหลวงพ่อกรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนว่าไปค่ะ ไม่ได้่งกันบ้านลงพ่อมาสองปีกว่าก็ไม่ไม่แน่ใจว่าก็ดีขึ้น<อ>นะรู้ตัวไหมว่าดีขึ้นนะรู้แต่แต่ว่าคิดว่ายังสมาธิไม่ไม่ค่อยดีค่ะใช่ได้เราเร า, เราต้องรู้ตัวเองนะว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเราเป็นข้อด้อยของเราเราก็พัฒนาขึ้นมาสมาธิยังไม่ดีก็ฝึกเข้า อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปเดียวสมาธิก็ดีขึ้นครับแล้วก็คือที่เราบางวันหนูจะบริกรรมพุโทโธใช่ไหมคะแต่ว่าในรูปแบบจาจจะชอบนั่งดูร่างกายหายใจคะ่ะไม่แน่ใจว่าที่ดูร่างกายหายใจที่ที่ตัวเองทำอยู่นี่รู้ทำให้หลวงพ่อดูสิสเพ่งแรงไปอันนี้อันนี้เพ่งใช่ไหมคะใช่ป็นคือดัต รู้สึกว่าเพ่งเหมือนกันแต่คิดว่านิดหน่อยแ ต, แต่ไม่ไม่แน่ใจว่าปล่อยปล่อยอย่างไงหัดใหม่ๆมันก็เพ่งทุกคนแหละแต่รู้ว่าเพง่งต่อไปมันก็คลายออกแ ต, แต่แบบนี้ก็คือเรียกว่าดูร่างกายหายใจถูกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเพ่งไม่ถูกออ ไ, มไม่ถูกเพราะมันเพง่งต้องต้องไม่เพง่งใช่ไหมคะออใช้ใจธรรมดานะไปรู้ร่างกายรู้ไปธรมธรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้ใจดีไปคิดรู้ไหม ใ, ใจหนีไปคิดก็รู้ธรรมดาใช่จิตนะรู้ไปทีละช็อตทีละช็อตเงี้ยเพ่งแล้วรู้สึกไหมตรงนี้เพ่งโังแ่ขึ้นมาแน่นเลยไปรวบจิตเข้ามาว่าแน่นรู้ว่าเพ่งก็ดีแล้วล่ะค่อยๆดูไปมันเพ่งเ พ, งเพราะมันอยากดีอีกหน่อยเพราะรู้ทันบ่อยๆก็เลิก ขอบคุณค่ะนำมาตัการหลว ง, งพ่อหลวงพ่อนึกว่าคนจีนคนจีนก็ชอบนั่งมุมนี้ว่าไงโยมขอ ห, หลวงพ่อดูว่าที่โยมปฏิบัติมาในปีหนึ่งนี้ก่ะโยมเห็นกินเลสบ่อยไหม บ่อยคนะ่ะเนอะเห็นยิ่งบ่อยยิ่งเก่งอ่ะถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสนารภาวนาไม่เป็นแต่ยอมยมคิดว่ามันเบาไปหน่อยหนึ่งค่ะเหลอมันเบาก็รู้มันหนักก็รู้นะเราไม่ไปปรุงแต่งมันค่ะมันเบาเราก็รู้มันหนักเราก็รู้มันเป็นยังไงเราก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปต่อไปถ้าไปเรื่อยๆนะ เราก็อ่านใจตัวเองเรื่อยๆใจกังวลรู้ว่กากังวลใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขะใจเราเป็นไงก็รู้ไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายนี้เราก็ดูไปมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมันเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันเป็นที่พึ่งเรื่องอาศัยอะไรไม่ได้จริงดูลงไปในกายดูลงไปในใจถ้าเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารดูอย่างนี้บ่อยๆ จะจะได้เกิดปัญญาเร็วๆนะโยมขอถาวายการปฏิบัติถาวายพระพุทธเจ้าและถาวายหวงพ่อ อ, อนุโมทนานะหลวงพ่อลืมเอาอยาพ่นจมูกมาหายใจลำบากแต่มีข้อดีอ่นะไม่ได้กลิน่นโยมกลิ่นแรงนะหลายคนตื่นนอนมันก็รีบมา น, นี่รีบดมเลย ถ้าไมยมมีกลิน่นพ้าก็มีกลิน่นตัวรูปรูปทุกรูปมีกลิ่นน้นมการค่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็บริกรรมพุทโธคะ่ะใจหนูมันเจ้าออกไปข้างนอกดูออกไหมรู้ อ, อดูออกคะ่ะเออรู้ทันนะใจไปสว่างออกไปข้างนอก ลองหายใจสใจิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจไปอย่าสงสัยเยอะหายใจไปเนีย่ยเที่ยวหาแล้วรู้สึกไหมเน ย, ยเที่ยวหาแล้วนึกออกอยังจิตตะกี้อยู่ข้างนอก เจ้าออไปข้างนอกนะตอนนี้จิตกลับเข้ามานะแล้วเราก็คอยรู้เท่าทาันจิตตนเองไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆแข็งๆตอนนี้บังคับเป็นนิดหนึ่งแล้วมันจะเริ่มปวดอัดรู้สึกไหมมันมีน้ำหนักขึ้นมารู้สึกค่นะจิตที่ดีไม่มีน้ำหนักนะ ไม่มีน้ำหนักเพราะเราไปบังคับมันมันอืดอัดทำใจสบายสิยิ้มหวานหวานใช้ได้ดูสังเกตไหมเมื่อกี้ตอนที่ยิ้มหวานหวานเนี่ยมันมีจุดที่จิตคลายตัวออกมาแล้วก็ทำต่องงรู้ว่างงหันไปข้างหลังยืดตัว หันไปข้างหลังบอกมือบอกให้ทุกคนตรงนี้ดีจิตที่เป็นธรรมดา mm hmm. อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็บางทีอยู่ในชีวิตประจำวันกิเลสมันขึ้นขึ้นหน้าดีดสแสดงว่ากิเลสแรงถ้ากิเลสขึ้นหัวนียแสดงว่าแรงแล้วถ้ากิเลสนิ่มนวลเพิ่งเกิด อ่อนๆนะขึ้นขึ้นมากลุ่นๆขึ้นมาถ้ามันพุ่งขึ้นเร็วนะแล้วขึ้นสูงนะแสดงว่าพลังมันเยอะอย่างเวลาโกรธเนี่ยรู้สึกเลือดขึ้นหน้าเลยพลังมันพุ่งขึ้นมาดีที่หนูเห็นนะดีแล้วแต่ว่าบางทีมันหนูก็อยากให้มันหายไปเพราะว่ามันเนี่ยโลภนะมันอยากภาวนาเนี่ยเรารู้ปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากให้เป็นอย่างอื่นไม่ดีรู้ว่าไม่ดีใช้ได้นะดีก็รู้ว่าดีใช้ได้ตอนนี้ใจลอยไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกนหนูฝึกนะอยู่ก็พุทโธอยู่กับลมหายใจไปพอใจมันหนีก็รู้ทันไวๆแค่นั้นแหละฝึกไปบางบางทีเวลาหนูพุทโธมันจะรู้สึกแน่นๆหนูก็เลยมาขยับนิ้วค่ะแบบอะไรก็ได้ กรรมฐ า, านนะเหมือนกันหมดแล้วถ้าถูกก็ใช้ได้หมดนะถ้าผิดก็ผิดหมดลนะเหมือนกันเท่าเทียมกันทุกสำนักหลงแล้วรู้ไหมอยากหาทางส่งใหม่ไปให้พ้นตัวดูออกเปล่าดูออค่ะเออต้องอย่างนะ้ดูสังเกตไหม <c oughs> ตรง ท, <c oughs> รงที่ตรงที่เรารู้ทันเนี่ยไหมใจมันเปิดขึ้นมาเลยไหม ตัวนั้นนะคือใจที่เป็นตัวพุทโธจริงแนละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้ไม่ใช่ละตัวนี้เป็นตัวแน่นแล่นละเนะเวลาที่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะจิตจะเปิดนะสบายกลับนมัส ก, การครับ อ, อยากจะขอให้หลงพ่อเมตตาบอกวิธีปฏิบัติ ให้ถูกกับจริตของของผม嘛ครับที่ปฏิบัติอยู่ก็ใช้ได้เรานะสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆมีความรู้สึกรหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ ก, ก่อนชับดีขึ้นครับนั่นแหละมันเปลี่ยนแล้วทำถูกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับมีความรู้สึกว่าจิตตกทั้งวันนะครับผมวจิตตกใช่ครับจิตตกเั่วถูกรู้ครับจิตไม่เคยตกหรอก นี่พอเรารู้สึกจิตตกเลยเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะั้นไม่ว่าจิตจะเจริญหรือจิตจะเสื่อมรู้ดีกว่าเป็นกลางก็ใช้ได้ละขอบคุณพอนาใช้ได้นะพอนาดีขันมันแยกเห็นสภาวะมันทำงานได้แล้วล่ะดีกลับขอบพระคุณครับเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะหาคนที่รู้สึกตัวเป็นหายากมากแค่รู้สึกตัวนะ ขันแยกได้เนี่ยถ้าไม่ต้องพูดถึงเลยทุวันนี้ยถ้าพวกเราเองกับหลวงพ่อเราแค่รู้สึกตัวขันแยกไม่เป็ น, นใช้ไม่ได้อะล้าสมัยแล้ว่างคนขัดแยกแล้วอยู่อย่างนี้เป็นปีเลยก็ใช้ไม่ได้อีกละต้อเห็นนะขันแต่ละขันนะั้นมันแสดงไตร ล, ลักษณ์ถึงจะใช้ได้ดังนั้นการปฏิบัตินะหลักสูตรของเราจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ปฏิบัติมาประมาณปีกว่านะคะอยู่ไหนอยู่ไหนว่าไงนะค่ะปฏิบัติมาประมาณปีกว่ายกใหม่ไงยกใหม่ปฏิบัติมาประมาณปีกว่าคะา่ะแล้วก็แต่ทุกวันที่ทำเนี่ยก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างเอาบางวันก็ฟุง้งอะนะคะทีนี้อย่าท้อถอยค่ะนะอย่าท้อถอยนะใจเรามันท้อถอยเป็นช่วงๆไปคือสูไว้เราอยากพ้นทุกเราก็ต้องสู้อยากรวยเราต้องทํามาหากินเลย อยากพ้นทุกขนะ์น่ายากกว่าอยากรวยอีกนะงั้อดทนที่ฝึกอยู่ไม่ไม่เลวนะใช้ได้ขอบคุณค่ะก า, นนการนันทสการ์ค่ะหลวงพ่อจิบเปลี่ยนไปเยอะไหมค่ะ<อ>ฟุงส่านน้อยลงเปล่าน้อยลงค่ะตอนนี้<อ>ทำทรูปแบบเพิ่มขึ้นเด่นทำเดินจงกร ม, มค่ะหลวงพ่อ แล้วก็ในชีวิตประจํำวันเดินให้ดูสิตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเออได้แหละภาวานาต้องทําได้ตลอดเวลาค่ะเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะลุกมาเดินสิเอาไมวางไว้เดี๋ยวตื่นเต้นไม่หล่นตอนเริ่มเดินแบบฟุ้งซ้านรู้ไหมเดินมาได้เครื่องทางก็เริ่มบังคับจิตรู้ไหมเอา้าเดินต่อ ใช้ได้หลงนี่แหละไปเดินหนนี่แหละเดินแล้วรู้ทันเป็นช็อตๆไปดีแล้วในระหว่างวันสวดมนต์สวดใช้ใช้สวดมนต์เป็นระยะค่ะใช้ได้แล้วก็มีการนั่งขยับด้วยอะคะ่ะถือเป็นหลายอย่างนะ้ว่าก็พอดีช่วงก่อนไม่สบายอะคะ่ะก็เลยใช้หลายอย่างเค่ะ ใช้ตามความจําเป็นนะค่ะไม่งั้นเราพอสูดว่าเราสวดมนต์หรือจิตฟุ้งซ่านไม่เอาเปลี่ยนมาขยับขยับแม้จิตดีขยับไปเรื่อยๆถนะ้าฟุ้งอีกแล้วอุ้ยไม่เอาหายใจดีกว่าอย่างเนี้ไม่รู้เรื่องสักทีเรียนนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยอย่างเช่นเราพุดโธเราก็พุดโธก็เราไปเรื่อยๆนะให้มันเด็ดเดี่ยวไปสงบผู้รู้ฟุ้งซ่านก็รู้แล้วปัญญามันถึงจะเกิด ถ้าเรามีอารมณ์กรรมาฐานเยอะเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่ออกหรอกแล้วมันจะกลายเป็นนั่งแก้อาการไปเรื่อยๆขอจุดอ่อนที่ตอนนี้อะค่ะอะไรนะจุดอ่อนค่ะจุดอ่อนของโยมของหนูยังโลกอยู่ค่ะใช่เปล่าโลบค่ะอยากยังอยากดีรู้แล้วมาถามทำไมค่ะสาธุค่ะ <laughs> อา้าว <laughs> เชิญกลับบ้าน เรางพาพูดเหมือนดูนะจริงแม่ดูหรกใจดี